ครับที่เห็นมีคนสนใจเห็นเรื่อง ก, กับหลวงพ่อเทียแล้วก็ปฏนบัติม า, มากมายที่ขนาดนี้ในช่วงที่ผมรู้จักหลวงพ่อเทียนั้นผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครที่จะสนใจผมรู้จักหลวงพ่อมา20กว่าปีกว่า20ปีนี้ก็ไม่เคยที่จะคิดทําอะไรเลยเพราะผมไม่คิดว่าเรื่องที่ท่านสอนนั้นยากนักสําหรับผู้ที่ไม่มีปัญญายากนักสำหรับผู้ที่ติดอยู่กับความรู้และตัวหนังสือนะครับซึ่งมาเห็นวันนี้ก็ยินดี ก่อนอื่นก็ผมก็อยากจะขอให้การผู้ใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติธรรมนะครับแม้กระทั่งตั้งใจอย่างเดียวขอให้ได้มีอนิสงส์ที่ให้ทำคุ้มครองพวกเราเพราะธรรมะย่อมคุ้มครองพวกเราคือธรรมและขอให้เป็นพลังสําหรับพวกเราทั้งหลายนะครับที่จะได้แทนทลุรู้แจ้งแทนทะลุของธรรมะทั้งปวงถึงที่สุดแห่งทุกนะครับ ซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นด่ายปฏิพานเหมือนอย่างที่หลวงพ่อเคยกล่าวไว้อยู่เสมอในส่วนของผมนั้นเนี่ยถ้าเทียบ ก, กับหลวงพอ่อเนี่ยถือว่าเล้จิ๊บจ่อยเล็กน้อยมากสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเมื่อ25ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้เนี่ยเวลาผ่านไปเยอะแต่ความประทับใจผมจะจําได้ติดตาอยู่ตลอดนะครับที่ตรงนี้เป็นที่เผาของหลวงพอ่อเมื่อท่านสิน้นใจนะครับท่านเป็นพระ คงจะมีน้อยคนนั้นและท่านเป็นทักองเดียวในชีวิตผมที่รักษาเป็นไข้ที่ท่านผมบอกผมว่าเมื่อเจ็บป่วยคร้งสุดท้ายนั้นท่านบอกท่านกำลังจะตายผมก็บอกว่าหลวงพ่อท่านเป็นก่อนมูลธรรมดาเนี่ยขอรักษาก่อนได้ไหมท่านก็บอกว่านานเท่าไหร่รว่าสักสองสามนาทีเราพ่อเชื้อที่ทําให้เกิดเป็นสาเหตุของหลวงพ่อที่เป็นกอ่อนมูลนั้นเราให้เชื้อยาทุกโดดสามตัว ปกติเข้าให้ตัวเดียวลองใหาสามตัวพอครบเสร็จแล้วเนี่ยสองสามที่หลวงพ่อบอกครบกําหนดขอกลับว่าลหลังจากนั้นสามวันใหก็สิ้นใจเมื่อเผาไปเนีครับเมื่อมาอยู่ที่นี่เวลาจะทําชาปฏิสิทเผาท่านร่างกายท่านเสร็จแล้วก็มีลวงมีลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งก็เห็นว่าผมเนี่ยเคยรู้จักกับท่านก็เอากระดูกช like, ิดเล็กๆชื่อของหลวงปู cane cane cane i i ่ไปให้ผมผมก็บอกว่าหลวงปู่เคยสอนหลวงก็เทียนเคยสอนบอกว่า คนเป็นตระหาที่ทําประโยชน์ได้คนตายทําประโยชน์ได้น้อยกระดูกที่ท่านเอามานี้นี่ที่จริงแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่อเทียมแต่เป็นของพระพันธุ์อินทริผุเพราะในในหนังสือก็ดีในมรณบัตรก็ดีกล่าวว่าเป็นพระพันธุ์อินทร์ผิวพระพันอินทร์ผิวนั่นอ่ะได้ชาปนสถานไปที่นี่แล้วแต่ความเป็นหลวงพ่อเทียนไม่เคยตายเลยที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในทั้งหมดนี้ก็คือมีความเป็นหลวงพ่อเทียนไม่มากก็น้อยเพราะความเป็นหลวงพ่อเทียมนั้นเป็นสัจธรรม นะครับที่จะทําให้เราดีขึ้นได้ผมก็อยากจะให้พูดต่อเลยไหมครับว่าทําไมผมถึงสนใจหลวงพ่อถ้าแราสุดเนี่ยที่ผมสนใจหลวงพ่อเพียนเนี่ยผมก็เคมีความสนใจบ้างเนะ่ยเพราะว่าทีที่ผมก็ผ่านท่าเนเยอะเรารักษาท่ามาก็มากท่าหลายองค์ที่มีชื่อเสียงกินไปแย่งฌานมากก็ดีไปแย่งเสดจีวรมาบูชาก็ดีก็ทำมาหมดเลยก็ได้เจอหลวงพ่อทั้งแรกสุดพ่อรู้สึกเฉยๆ จนกระทั่งได้พูดคุยกับท่านเนี่ยถึงจะดูว่าพระองค์นี้มีความตกต่างที่สอนเพียงประโยคเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผมได้เปลี่ยนเพราะอะไรนะครับผมขยักตรงนี้สักทีหนึงถ้าเกิดเราดูหลวงพ่อเคียรเนี่ยประวัติท่านก็น่าสนใจมากถ้าเป็นชาวบ้านที่ไม่ทุ่งทังสือทําไมถึงฝ่ายธรรมะแล้รู้ธรรมะได้อย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเราดูในประวัติที่พวกเราได้อ่า บันทือไปนี่ก็เห็นชัดเจนว่าก่อนที่ท่านจะแสดงแสดงหาธรรมะนั้นเนะี่ยท่านก็ทําบุญนะทําบุญนะครับก็ตามปริตรมเนียประเพณีซึ่งเราก็ชื่นใจไม่ได้ทําบุญทําทานท่านมีความกังวลใจเกิดขึ้นว่าเอ๊ทําบุญเสร็จแล้วทําไมยังเป็นทุกข์นะครับแล้วจากนั้นมาท่านก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ะท่าจะต้องไปสอบสวนหาธรรมะที่อือ่นอที่เป็นธรรมที่ท่านถเล่าให้ผมฟัง ผมก็อยากจะถ่ายทอดว่าในมุมมองของผมนั้นเนี่ยคนที่รู้ธรรมะที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นคนที่ถามคําถามที่ถูกต้องไม่ใช่คนรู้คําตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวเพราะการที่ถามคําถามที่ถูกต้องนั้นจะทําให้รู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองแล้วจะรู้ธรรมะได้ง่ายขึ้นคนที่รู้คําตอบซึ่งเป็นคําถามของคนอื่นเหมือนอย่างคนที่รู้ทุกคำพูดที่พระชาชนพูดเหมือนอางพระอานุโมนี่นะครับ รู้ทุกคำพูดที่พระเจ้าพระพุทธเจา้าตรัสไว้ก็ยังไม่สำเร็จเป็นอาหานได้เลยอันนี้อันนี้เป็นการมงย้อนหลังแต่แท้ที่จริงแล้วคําถามแรกที่ผมถามหลวงพ่อก็คือว่าก็คือคำถามที่ผมเคยถามพระเยอกแยกเลยเราเป็นชาวพุทธนะครับพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไทยพระพุทธเจ้าเป็นแฉกผมบอกเอ๊เป็นแฉกเราเชื่อแฉกได้อย่างไร เราจะมีความเป็นอคติกับแขกไม่ใช่หรือถ้างั้นจะมีที่านระหว่างงูกับแขกได้อย่างไรขั้นเป็นแขกประเด็นที่สองก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาพูดไม่เหมือนเราแต่ตัวไม่เหมือนเรากินอาหารไม่เหมือนเราแค่เกิดที่มา 2,500 ปีเท่านั้นสมัย 2,500 ปีที่แล้วนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยในสังคมสังคมก็ทำอาหากินธรรมดาไม่ต้องเรียนรู้ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยคําสอน ของพระพุทธเจ้าสอนกับสังคมล้าสมัยแบบนั้นเนี่ยผมเข้าใจได้แต่สังคมที่เปลี่ยนไปมากมายมห า, า, าศาลขนาดนี้เรายังพลิกกับพลิกตาตื่นขึ้นมาอย่างนึกไมถึงเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้นแล้วคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนในสังคมที่ลาสมัยแบบนั้นจะมาสอนพวกเราได้อย่างไรคําถามนี้ผมได้ถามหลายต่อหลายคนทั้งผู้สอนศาสนาอื่นนะครับเพราะผมไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างเดียว ผมศึกษาศาสนาอื่นอีกหลายหลายศาสนารวมทั้งพระภิกษุที่เรานับถือเป็นครูบาอาจารย์ไม่มีใครให้คำตอบได้มี่ถามซ้ำครูบาอาจารย์หลายท่านที่เป็นพระหาว่าผมนี่ลาเลิกก้าวร้าวคาถามนี้ดูถูกครูบาอาจารย์เคาทําเยื่ประเพณีที่เรานับถือกันมาเป็นไม่รู้กี่ชั่วคนถามอย่างนี้ได้ยังไงท่านบอกเลยผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ ผมถามคำ ถ, ถามเดียวเกี่ก็เทียนบ้านะครับหลวงพ่อเทียนถ้าตอบกลอย่างนี้ครับบอกว่าโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นอมาตะหรอกทุกอย่างมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เป็นอมาตะเป็นอนัตตาท่านว่ายอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือธรรมชาติใจคนใจคนเมื่อเกิดเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วกับปัจจุบันและอีก 2,000 ปีข้างหน้านั้น ธรรมชาติจะเหมือนกันเหมือนกับประเด็นไหนเหมือนกับคือมีโลกโรโหลงมีอวิชชามีความหลงผิดมีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่การแสดงออกนั้นแตกต่างไปตามสถานะของสังคมและเวลาเฉยๆการศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นต้องศึกษาที่ธรรมชาติใจเราถ้าพูดอย่างนี้เลยครับทำสอนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มุ่งประเด็นไปที่จิตใจนั้นเป็นเต๋อเป็นกพี เป็นกิ่งก้าอาจจะมีประโยชน์บ้างก็ไม่มากเท่ากับที่ได้จับยันคำถามนี้ที่ทาให้ผมหยุดคิดเลยว่าโอ้เราอ่านหนังสือมาทั้งเยอะแยะไม่เคยคิดประเด็นนี้ขึ้นมาได้เลยหลวงพ่อเวลาท่านตอบนั้นท่านตอบพวกเลยครับและตลอดเวลาที่ผมรักษาทัานห้าปีนั้นเมื่อมีคําถามผมไม่เคยได้ถามทีเดียวนะครับนานๆก็นึกคําถามได้ก็ถามท่านนึกคําถามได้ก็ถามท่านเวลาท่านตอบนั้นท่านไม่เคยหยุดคิด ท่านเหมือนถ้าเป็นนักมวยก็หมายว่าต่อยหมาเดียวเนอะท่านไม่มายักยักยักยกเอาคะแนนไม่มีท่าตอบโงประเด็นทุกอันทําให้เราแก้ปัญหาได้ถ้าเบิดดูที่จิตใจเนี่ยผมก็คิดต่อไปอีกว่าเอ๊ก็ในเมื่อเรามีจิตใจของเราทุกคน่ะทุกคนมีจิตใจของตัวเองทุกคนแล้วทําไมเรามองไม่เห็นเอ๊ะทำไมเรามองไม่เห็นทําไมมันถึงเป็นปัญหาได้แขนผมก็รู้จักขาผมก็รู้จักท้องผมก็รู้จักทําไมใจผมไม่รู้จัก อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับถ้าเผื่อเราคิดในคนไทยนะครับคนไทยหรือคนทั้งโลกนี่เขาก็บอกว่าอย่างนี้คนระับเป็นคําที่กล่าวกันมาก็น่าคิดก็บอกว่าดูตาถึงรู้ใจดูตาถึงจะรู้ใจแล้ว เ, เราพูดกับใครนี่เราดูที่ตาเราจะบอกได้ว่าคนนี้เขาตั้งใจพูดกับเราหรือเปล่าคนนี้เขามีอะไรที่หลอแกแอบแฝงอยู่หรือเปล่าผิดหวังนะครับแต่ว่าเราไม่เคยดูตาตัวเองเราเคยดูตาคนอื่นตลอด เราไม่เคยดูตาตัวเองถ้าลองคิดต่อไปสิครับว่าถ้าจะดูตาตัวเองจะทําได้หรือไม่ต้องดูกระจกแต่กระจกที่ดีก็เหมือนเปรียบเสมือนกับครูบาอาจารย์ที่ดีสอนเราให้ดูตาตัวเองเนี่ยแต่ถามก็ถามแต่ครับพวกเราที่นั่งอย่างเดี๋ยวนี้เราก็ดูกระจกันมาทั้งนั้นตั้งแต่จําความได้จนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกครั้งที่เราดูกระจกเราเคยดูตาตัวเองไหมเราดูคิ้วดูคางดูปาดูผมดูอย่างอื่นเลยไม่เคยดูตาตัวเองด้วยเหตุนี้เราถึงไม่เห็นใจตัวเอง เราถึงต้องมีวิธีในการฝึกเพื่อที่จะดูใจตัวเองโดยวิธีของหลบงพ่อที่สอนเราอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้ผมเข้าใจใจนี่มันสําคัญนะสําคัญมากเพราะในพระพุทธกฏนั้นได้ยืนยันเลยว่าในธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดมีใจเป็นใหญ่และสําเร็จได้ด้วยใจเราจะสำเร็จธรรมะได้นี่มัอยู่ในใจนะครับใจนี่แหละรับเป็นตัวที่สําคัญที่สุดนะครับ แล้วผมก็หลังจากนั้นพี่ผมก็บอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะฝึกปฏิบัติอย่างนี้านอย่างไรสมัยก่อนนะครับในการปฏิบัติเราเวลาน้อยเวลาเรามีเยอะโรคยิ่งเร่งรีบในการที่จะหยุดนั่งเฉยๆหลับตาทำสมาธิเรามีเวลามากเราทำได้โรคปัจจุบันเนี่ยมันจะโลคแห่งการเคลื่อนไหวนะครับการที่หลบอ้อคิดที่ดีที่ใช้ ในการเคลื่อนไหวเพื่อท้าให้เกิดสติได้นี่อันนี้ถือว่าเป็นการต้องเรียกว่าจะว่าใหม่ก็ใหม่คนไม่เคยคิดจะว่าอยู่ในตําราก็มีแต่คนไม่เคยจะเอามาทํานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยในความเหม็นของผมนะั้นในการเก็บแบบนี้เนี่ยเป็นการสุดสติให้มีสติอย่างทวมสมัยของอดปัจจุบันเราเพื่อไม่แปลกใจว่าทำไมคนส่วนใหญ่ที่สมเด็จนีม้มาสนใจของการมตำรับของหลวงพ่อเพียร วันที้ผมก็ได้ผมก็ทราบว่ามีคนสนใจการเป็นบัตรของหลวงพ่อนศึกษาทำเป็นวิทยา น, นิพนธ์ของปริญาโทนะครับของมหาวิยาเมื่อปี2550ผมเข้าใจว่าผมก็อยากจะฝากท่านอาจารย์กมัยมว่าน่าจะมีต้นฉบับที่มีซักแห่งเถึงน่าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็จริงแต่ว่าอันนี้ที่เป็นวิทยา น, นิพนธ์นะหลวงพ่อสอนเนี่ย มีเหต ม, มีคนสนใจได้ถ้าเผื่อผิดมหาจุฬาคงจะไมห้สิมญาทว่ใช่ไหมครับเราคิดอย่างแบบชาวบ้างนง่ายๆนะแต่ที่นี้ว่าใจเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องใจนะครับใจเนี่ยทำไมเรียกว่าสนใจเราที่ผมก็มองเราก็มอ ง, มองพุทธประวัติสิครับเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเขาบอกว่ามีนางมาที่รามาสามโสามตัวต้องเรียกว่าสามสามตัวมาท้าทายพระพุทธเจ้า เพื่อทดสอบก็พระพุทธเจ้เป็นอย่างไรนะครับถ้าเผื่เราดูในพุทธประวัตินั้นก็จะเห็นว่านางมารสามองค์นั้นเป็นรูปพยามารก็มีชื่ออะไรบ้างตัณหาคือความอยากราคะคือความใครและอระดีที่แปลว่าจิจฉาลิศยาถ้าเรานั่งดูให้ดีแล้วนี่ยนางมารนี่ไม่ได้มาจากนอกโลกมาได้มาจากหมู่บ้านอื่นอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของจิตใจคนที่จะมีตัณหาราคะมีความจิจฉาลิศยา ถ้าเผื่อลูกมารเนี่ที่ดา ม, มานเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยตัวมารใหญ่คือใครก็คือใจเราที่เราบอกไม่เห็นนี่เองยี่งคือมารใหญ่ที่แฝงจิตนะครับการที่จะเอาชนะมารได้ก็ต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าที่เราชนะได้นท่านทําสงครามทุกประการพยามานได้แต่เป็นสงครามที่ไม่มีปาณาติบาตไม่มีการปกชีวิตไม่มีการฆ่าคนไม่มีการฆ่าสัตว์แต่ฆ่าความไม่รู้สึกตัวความไม่รู้ตัว ที่อยูตัวเองทำให้รู้ตัวขึ้นมาได้ท่นนี้ก็คือนชนะที่ยิ่งใหญ่ที่เราพยายามพูดกันบอกว่าคนที่ชนะตัวเองได้คือว่าชนะตัวเองรูชนะตัวนี้แหละครับเคยชนะพญามารตัวอย่างก็คือจิตใจของคนเราเองการที่จะเข้าใจในจิตใจของตัวเองได้เนี่ยผมก็ได้เรีนยนรู้จากหลวง่ว่าต้องมีปัญญาแต่การมีปัญญานะั้นต้องมีสติเสียก่อนเพราะ พระพุทธพจน์ได้ยืนยันว่าปัญญาที่ไม่มีสตินะั้นไม่เกิดและไม่มีปัญญาที่จะเกิดได้ต้องมีสติสักวันสติที่จะเป็นตัวที่จะบังคับนะครับเป็นนายสารรคประตูไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายหลทหลายเข้ามาเหมือนกับที่เราฝุด น, นะครับเมื่อมีสติแล้วเนี่ยในประวัติของหลวงพ่อท่านก็บอกชัดเจนแล้วจากที่ท่านฝุดตามการที่เพื่อนไหวทั้งหลายนะครับ ก็ท่านก็ดีปัญญาในภายหลังลังจากที่รู้ตัวอะไรดีท่านใช้วิธีในการฝึกดูการเคลื่อนไหวเพื่อให้เราสามารถมีวิธีการดูการเคลื่อนไหวแล้วเอาวิธีนี้มาจับที่จิตใจตัวเองเพราะจิตใจของเราเนี่ยมันไหวเร็วเหลือเกินปุ๊บเดียวหายปุ๊บเดียวหายนะผมเคยถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับสติเนี่ยผมผ่าตัดเนี่ยผมก็ต้องมีสติอยู่แล้ว ไม่พอหรือผมไม่มีสติจะผ่าตัดไปก็ผ่าฟัางแค่นี้ยังไม่พอหรื อ, อยังไงหลวงพ่อเป็นคนฉลาด ก, ก่อท่านไม่เคยตอบปฏิเสธไม่เคยตอบกลับท่านถามเราต่อว่าคุณหมอตั้งแต่เช้าจนถึงเงย็นนั้นเรากับพิจารกี่ทีผมบอกโอ้โหเป็นธรรมจะมีสักทีไหมที่เรารู้ตัวเรากําลังกับพิจารผมเลยเข้าใจได้ว่าสติในความหมายของหลวงพ่อนั้นหมายของว่าอย่างไรนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสติกเนี่ยเป็นรากฐานของปัญญาเพราะว่าปันไม่มีปัญญาไหนที่จะเกิดได้โดยปราศจากสติแต่ว่าแต่ว่าสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาท่านว่าอ่อนกำลังท่านต้อองอ่อนาลังมครับผมก็ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเนี่บอกว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราถามก็คือถามบอกว่าอย่างนี้หลวงพ่อในการสุดปฏิบัต อะไรทั้งหลายนี่เขาแตกต่างไปหมดแล้วนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีได้หรดี๋ลวงพ่อก็บอกโอ๊ยเรื่องนี้มันเป็นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีตั้งร้อยแปดสำนักถ้าว่าแต่สำนักเนี่ยลูกศิษย์ในสำนักหนึ่งก็ต้องบอกว่าร้อยจ็ดสำนักที่เหลือแต่นี่ช้าที่สิท่านก็บอกว่าในความเห็นของเรานั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอย่าเพิ่งด่วนไปยอมรับอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธศึกษาให้ดีสะกอนวิธีไหนก็แล้วแต่ที่ทําให้ทุกลวบไปได้นั้นถือว่าใช้ได้ ท่านบอกเลยล่ะวิธีไหนแต่วิธีที่ท่านสอนเนี่ยในประสบการณ์ของท่านนั้นว่าอันนี้ง่ายเข้าถึงเร็วเป็นวิถีลักท่านบอกตย่งนี้ครับแล้วท่านก็มีคนถามบอกว่าเออหลวงพ่อไปนั่งสมาธิแบบดูยงแก้วที่เขาบอกกันแมมันขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้ดีไหมหลวงพ่อท่านไม่ตอบว่าท่านตอบนะครับท่านตอบให้ความหมายดีมานว่าถ้าจะดีก็เป็นดีของเขาไม่ใช่ดีของเราอันนี้ท่านบอกไว้ชัดเจน นะครับในการปฏิบัติถึงจุดหนึ้านี้ น, นะครับทำไมผมถึงบอกว่าเมื่อมีสติที่เราทํากไปทั้งหมดเราเกิดสัญญาณขอ้อพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวไว้ชัดเจนเหมือนกับที่หลวงพ่อเตีนทยทนะที่ท่านปฏิบัติแต่เนี่ยไปอยู่ในพระใตพิดลกนะครับที่ท่านพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการเสื่อมจากยาณหมายว่าไม่มีใครนับคือเราเป็นยากเลยในโลกนี้การเสื่อมจากพวกข้าศัพย์ ไม่มีเงินติดกระเป๋าแม้แต่สตางค์เดียวการเสื่อมจากยบถ้าบรรดาศักด์เป็นคนที่ยากไร้ไม่มีใครนับถืออยู่คนเดียวถูกดูถูกเยียดย้ำพระพระเจ้าบอกว่าการเสื่อมแบบนี้ถือว่าเป็นเสื่อมที่เล็กน้อยดอกเพราะว่าการเสื่อมที่เลวร้ายที่สุดของคนนั่นคือการเสื่อมจากปัญญาการที่เรามีพจนซักมากมายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในโลกนี้ก็ดี การที่เรามีเฉพาะธราศะมากมายไปที่ไหนเขามีคนก้มหัวคารวะให้ก็ดีการที่เรามียากคนในโลกนี้เป็นยากเราก็ดีพระเจ้าบอกว่าการเจริญแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยเล็กน้อยหน่ยเมื่อเทียบกับการเจริญทางปัญญาสุดยอดแห่งการเจริญที่สุดยอดก็คือการเจริญทางปัญญาด้วยเหตุนี้นะครับผมว่าเมื่อมีสติเมื่อมีปัญญาเสร็จแล้วเราก็จะเข้าใจทุกอย่างได้ แต่ปัญหานี่สอนได้นะนะผมเคถามหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับก้อนไหนไหนลวงพ่อก็รู้ตั้งเยอะแล้วก็รู้รู้ว่าหลวงพ่อท่านรู้ดีจูงผมไปสักคนไม่ได้นะจะได้พ้นไปได้บ้างจูงผมได้ไหมท่านเคยพูดนะฮะบอก็ความจริงอันที่ผมไม่ได้เขียนแต่ผมจำได้ท่านบอกว่าหมอเออถ้าจะให้จูงไปก็มีแต่วัวควายคนนี้เขาไม่จูงกัน พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของปัญญาเนี่ยจูงไม่ได้ท่านก็อธิบายให้ผมฟังต่อว่าทุกของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันทุกของคนหนึ่งไ ป, ไปเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังไอ้คนฟังก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนเลยทําไมไปทําอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับคนตอบมีทุกบ้างไปถามอีกคนเขาก็จะบอกเอ๊ไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนเพราะฉะนั้ น, นแล้วเนี่ย ความทุกข์แต่ละคนจะเป็เหมือนกันไม่สามารถจะตอบแทนกันได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ท่านบอกว่าเราเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราชินอยู่กับสภาพสังคมเหมือนกับเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในห้องมืดคนส่วนใหญ่จะชินในสภาพนี้มีคนส่วนน้อยที่อยากออกจากห้องมืดนี้แท้ที่จริงแล้วเรามีประตูนะครับเรามีประตูเรามีกุญแจ หลวงพ่อบอกว่าหน้าที่ของท่านคือจุดสว่างในความมืดนะครับให้เราเห็นว่าประตูอยู่ที่ไหนแล้วใช้กุญแจของเราไขาประตูออกสู่ธรรมะจะได้เห็นแสงสว่างขั้นว่าอกุญแจของท่านลูกกุญแจของท่านไขกุญแจของผมไม่ได้เพราะความทุกข์ของแต่ละคนต่างกันเพราะเช่นเดียวกันครับคนที่ ป, ปฏิบัติเหมือนทำอาหารรู้วิธีหุงข้าวหุงปาลารู้วิธีทอาหารเตรียมอาหาร รู้วิธีผักวิธีทําทุกอย่างรู้วิธีเสิร์ฟรู้วิธีกินไม่เคยกินแม้แต่คําเดียวจะไปรู้ได้ยังไงครูบาอาจารย์กินอาหารให้เนี่ยกินอาหารแทนเนี่ยคนนั้นไม่กินกินแทนกันไม่ได้นะครับกินแทนกันไม่ได้หลวงพ่อท่านถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้ท่านก็มีแต่หน้าที่ว่าจะต้องจุดสว่างในความมืดด้วยเหตุนี้ในการสรุปงานร้อยปีของชาปนกันของหลวงพ่อ ซึ่ผมก็ได้ยินนิรซ่าผมดีใจมากเลยที่ใช้คําว่าชาติการแสดงว่าคณะบัณฑารเข้าใจท่านดีเพราะหลวงพ่เขียนไม่ได้ตายอดที่ตายคือพระขันยินถิ่นที่มรณภะข้าพระประานโทษที่มรณะข้าพระขันยินถิ่นนะครับอดท่านที่ที่สิ่งพวกนี้เนี่ยที่ผมบอกนีก็คือว่าศัจธรรมทั้งโกงทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ผมก็ได้เข้าใจต่อไปอีกว่าเมื่อรู้จักหลวพ่อแล้วเนี่ย อ, อ่านหนังสือธรรมะเข้าใจง่ายขึ้นเอามาใช้ในชีวิตปรจะจำวันได้ดียิ่งขึ้นสอนคนได้ง่ายขึ้นให้เข้าใจธรรมะที่แท้จริงนะครับเพ ร, ะะร เ, พรเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลวงพ่อบอกเสมอว่าการที่รู้ธรรมะเพียงเพื่อพูดคุยปกเถียงได้ประโยชน์น้อยเอามาใช้กับชีวิตตัวเองตระง่านจึวจะได้ประโยชน์เราอยู่ในสังคมพุทธผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศภูฏาน ฉัน ไ, ได้ถือว่าเป็นสังคมพุทธที่ ย, ยึดมั่นอย่างชัดเจนนะครับยึดมั่นผมไปมาก็มีคนมาถามผมว่าคนผู้ทานก็คนไทยเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับคนพุทธานผมบอกอย่างนี้ <c oughs> ครับคนพุทธานเนี่ยเหมือนกับคนไทยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเป็นสังคมของพุทธศาสนาที่มีเตรียมพร้อมสามอย่างอันแรกสุดก็คือมีสัพพะในพระพุทธศาสนาอันที่สองมีความเชื่อ ในพระพุทธศาสนาอันที่สามที่สําคัญที่สุดก็คือประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วสังคมไทยเราล่ะเป็นอย่างไงบ้างโลกปัจจุบันนี้เราเห็นแต่มีคนมีศรัทธาเมื่อปีใหม่ก็ดีวันวิส า, าขะก็ดีวันมาฆะก็ดีแย่งกันใส่บาตรเป็นหมื่นเป็นแสนมิไต้ศรัทธาถ า, ถามเชื่อไหมคําสอนศาสนาของผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นร้อยทั้งร้อยจะบอกว่าไม่เชื่อคุยกัน ที่จะถามผู้นการปฏิบัตินะครับคนผู้ฐานเนี่ยเข้าปฏิบัติตามพุทธศาสนาอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีฐานะดีก็ดีก็ตามจะมีการศึกษาที่ดีก็ตามจะมะีฐานะทางสังคมสูงส่ ง, สงก็ตามยิ่งมีเยอะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งมีเยอะยิ่งอ่อนน้อมท่อมตนนะครับเราก็เป็นที่ น, นด้ยินดีทําให้เราเรายินดีเราก็ดีใจที่ได้เจอคนที่เ ด, ดแบบนั้น ทั้งคนไทยนะครับความอ่อนน้อมของตนของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระสอนทุกเช้าเวลาเราไปทําบุญนะครับก็เหมือนกับขอทางโทษนะครับท่านพระเทเรซทั้งหลายที่จะขอกล่าบยิบดึงเวลาผมทําบุญเสร็จเนี่ยก็จะมีบอกอาพวกเราไปรับพรจากพระพระจะให้พรคุณหูและเกิดที่เริ่มต้นได้ดักถากริวหาหะและก็สับพีติโยนสุดท้ายก็จะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าอายุวันงสุขนันพลัง นะครับผมเนี่ยผมเข้าใจผิดมาค่อนชีวิตจนกระทั่งรู้จักหลวงพ่อเทียนไปอ่านใหม่ทีหนึ่งที่เข้าใจโอ้เราที่เข้าใจว่าเราได้พอจักว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ในประโยคสุดท้ายเนี่ยท่านที่สวดแต่ภาษาไทยก็จะบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่รู้จักอ่อนน้องทอมตนกราบว่วผู้ใหญ่นนจะได้พรสิรร่งต่างก็คืออายุคืออายุยืนวันณะฐานะสันติมีขึ้น สุขะมีความสุขภลระสุขภาพแข็งแบงสุขภาพดีแข็งแรงมีครั้งหนึ่งกูงไปถามพระว่าเอ๊ะแล้วไปอ่อนน้องถ่อมตนตับผู้ใหญ่นี่ทําไมเราได้ลเสียอันเนี่ยท่านก็บอกเอ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการอ่อนน้อ ง, อง Lebanon, ถ่อมตนเคารพต่อบ้านผู้ใหญ่ไปที่เราถึงจะได้คำเนี่ยนำที่ดีจากผู้ใหญ่ทําให้เรามีอายุยืนท่านก็จะสอนเราว่าคนจะเปียกยืยืนเป็นยังไงคนจะมีฐานะสัมมงคมดีขึ้นควรจะทําตัวย่างไร เราจะมีความสุขได้อย่างไรเรจะมีสุขภาพดีได้อย่างไรพระสอนเราทุกวันที่เข้าวัดแต่ไม่เคยทําอันนี้คือสังคมไทยนะครับเพราะนั่นแล้วเนี่ยผมถึงเห็นเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านบอกผมก็ตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อและเขา้ า, เเขาใจทํานเลยถามว่าหลวงพ่อท่านเทศอยู่มีคนร้อยคนมีเข้าใจท่านสักเท่าไหร่ท่านบอกว่าสามคนห้าคนก็ท่านก็ดีมากแล้วคนปัจจุบันนั้นติดบุญ ติดสมมตินะครับจิดสมมติเพราอะไรเพราะเราไม่รู้จักใจตัวเองเราคิดเองทั้งนั้นท่านยกตัวอย่างให้ผมฟังว่าครั้งหนึ่งมีมีาศาสตราจารย์ทางปัจฉามาจากอินเดียมาถามท่านนะครับถามว่าทุกคืออะไรหวงพ่อเนี่ยผู้ประสาการก็ไม่ชัดเขาถามเป็นภาษาอังกฤษท่านตอบประโยคนี้คําเดียวเหมือนกันคนนั้นเข้าใจได้ท่านที่ทับวงนี้ครับท่านบอกว่าคนถามให้แดมือ แล้วก็เอาส้มแล้วใส่ในมือให้กำมัดแล้วบอกให้แบมือใหม่แล้วให้กำใหม่แต่ทีนี้ให้คนนั้นคว่งมือนะเมื่อความมื อ, นะม อ, มมอปั๊บส้มก็หล่นตกที่พืนอนั่นบอกนี่คือทุกข์ท่านบอกว่าคนนี้ปัญญาดีมากหลังจากนั่งสัะพายอย่างทีเข้าใจได้โอ้แล้วก็กราบท่านเข้าใจไหมครับว่าทุกข์เราสร้างขึ้นมาตอนนี้ไม่มีหรอกเพราะเราหลงอยู่ในใจตัวเองเราไม่รู้จักใจตัวเองเราหลงขึ้นมา สร้างทุกขึ้นมาและทุกนเนี่ยถึงสร้างขึ้นมาได้เราสามารถปล่อยวางได้ถ้ารู้วิธีนะครับในการที่ร้อยปีนี่ยวันนี้เนี่ยในการเพื่อเป็นสรุปงานเนี่ยผมก็ได้รับคําจากว่าทางคณะกรรมการว่าเออในการสรุปรื่คุณหมอจะพอมีเวลดมาเล่าให้รให้เราฟังไหมก็มบอกผยิธีดีมากเลยแต่ผมอยากนี่ข้อสรุปว่าในประสบการณ์ชีวิตของผมนั้นผมมีแค่สี่ประโยชน์ ที่จะสรุปให้จากการเป็นหลวงพ่อเทียนของการเป็นหลวงพอ่อเทียนคือเพียนสอนธรรมะสว่างเพราะอะไรท่านเนี่ยเป็นแสงสว่างว่าาขึ้นมาในขณะที่ผมติมตัวด้วยอวิชชาเต็มไปด้วยความมืด น, นะครับทํำให้ผมออกมาได้จากความมืดแห่งอวิชชาแล้วพบกับธรรมะที่สว่างขึ้นอย่างมากมายหลวงพ่อไม่ได้อธิบายประการกิจโยกทั้งหมดให้ผมฟังแต่สอนผมไม่เปิดประตูสว่างเมื่อผมไป อ่านว่าใจติดดกนี้ดนได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ท่านพยายามพูดไปให้เราฟังก็คือว่าคนที่รู้จักกับรู้จำและคนที่รู้แจ้งกับรู้จริงเป็นอย่างไรนะครับหลวงพ่อเป็นคนจะต้องเรียกว่ารู้แจ้งกับรู้จริงด้วยเหตุว่าท่านรู้ความจริงโดยไม่ต้องคิดเมื่อผมมีปัญหาผมถามพับท่านตอบทันทีท่านไม่เคยหยุดคิดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอคนอีกเยอะเลยที่คิดว่าตัวเองรู้จริง ถามอะไรที่ต้องหยุดคิดตั้งนานเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองรู้จริงอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าการรู้จักรู้จําและรู้แจ้งกับรู้จริงโดยการสแสดงออกหอวเราก็เทียง่ายๆนี่แหละเาจะเข้าใจประโย่นี้อย่างชัดเจนผมขอหยุดแค่นี้ไปก่อนนะครับครับขอบคุ ณ, ค, ณ, ค, ณ, ค, ณคุณหมอมากนะครับผมนั่งฟังมาเราได้เห็นบรรยากาศขอ ง, ขอ ง, ของขอคุณหมอที่ได้ดูแลน้องกู ในระยะสุดท้ายแลวก็คำบรรยายที่ท่านท่านบรรยายมาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้เราเห็นว่าวิธีการของหลวงพูเทียนนั้นสั้นตรงรัดเร็วเข้าสู่ความเป็นพุทธภาวะโดยไม่ต้องมีตำรับตำลานะครับผมในทัศนะส่วนตัวของผมผมถือว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยเป็นผู้สรุปวไตรติฎกทั้งหมดลงไว้ที่ การเจริญสติคือความรู้สึกตัวนะครับเพราะว่ า, าลัคโบรเทียนในท่านท้าทายนะครับว่าการปฏิบัติแล้วถ้าเราอยากออกจากความทุกข์หรือจะเข้าถึงพระนิพพานเราต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งรอบต่อไปนี้ผมคิดว่าตัวที่เราจะทําให้เกิดธรรมะสว่างนั้นผมคิดว่าวิทยากรแต่ละท่านน่าจะมีเทคนิคหรือกระบวนการอย่างไรที่จะทําให้อจริยธรรมทั้งหลายผู้ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ ได้เข้าถึงทำได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าในวันนี้เรามาปราลบหลวงปู่เป็นใหญ่กลง่ายว่าทุกท่านนี่รือว่าตลงปู่เป็นอธิบดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่่ในที่นั่งในประชุมวันนี้เราก็มีอารมณ์พร้อมเพียงในการที่จะมาแสดงความกตัญญูกตวทีกตัญญูคือรู้บุญท่านที่ท่านสั่งสอนไปแล้วนะเราจะตอบแทนคุณท่านด้วยการเทียนสองธรรมสว่างต่อไปอย่างไร นะครับผมเชื่อสนิทใจว่าหลวงปู่เทียนเป็นผู้สรุปอย่างนั้นจริ ง, รงๆเพราะ น, นึกให้ดีนะครับว่ า, อาพอพุทธองค์ท่านปฏิบัติถ้าเวลาผมสอนหนังสือที่โรงเรียนผมจะบอกพระเจ้าปฏิบัติผิดมาชั้งห้าปีคำว่าผิดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าผิดจากสัพเพตรติดกอะไรหรับผิดธรรมชาติครับไปเอาอะไ ร, รธรรมชาติ ยืนอ้าปากบ้างนั่งเล็กบ้างนั่งนอนอะไรบ้างตัดฟันด้วยตัดฟันบ้างเอาลิ้นแตกเทดานบ้างท่านทําเหมือนลีศีชีภัยนะครับแต่เวลาที่พระพุทธองค์เอาจริงเอาจังนะครับอธิฐานจิตสมมุติว่าเย็นวันนี้เ น, นี่ยสิบแปดนาิกาถึงวันพรุ่งนี้ท่านใช้ระว่าแม้เนื้อเลืเจือเหงื่อแห้งไปก็ตามถิดถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสามโกลทียางจะไม่ลุกขึ้น จะให้ยติธรรมลองอธิษฐานดูการอธิษฐานไม่ใช่ปรารถนาอยากได้แต่เวลาเราจะเอาจริงๆกับกิเลสทั้งหลายมันจะกลัวนะผมผมให้ข้อมูลอย่างว่ากิเลสนี่กลัวท่านนะครับถ้าท่านปฏิบัติไปวันที่สามที่สี่แล้วอธิษฐานเราเลยครับไม่ใช่อยากได้ครับแต่อธิษฐานสู้พระพุทธองค์ปฏิบัติสิบสองชั่วโมงแล้วเกิดการสว่างขึ้นที่เกิดพ่อปัญญาเกิดขึ้นอย่างยอดยิ่งแล้วก็นั่นแหละก็คือ สาระสำคัญของตรงนี้ครับผมกำลังไปสรุปสูตรอยู่ว่าหลวงูเทียนท่านใช้คำว่าดูกายเคลนไหวดูใจนึกิดินะครับสังคมไทยเราอาจจะจัดผิดหรือเปล่าระบบการศึกษาเราจัดผิดหรือเปล่าเราไม่ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปด้วย